สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากตีบ้าทนะครับในค้าวันนี้เราอยู่ในเรื่องราวของความเชื่อนะครับครั้งที่สองนะครับในชีวิตพระเยซูตอนที่ห้าสิบสี่แล้วนะครับพี่น้องครับในพระธรรมฮีบรูนะครับผมจะขออนุญาตทบทวนเมื่อวานนี้สักเล็กน้อยนะครับผมได้ยกตัวอย่างและบอกว่ามีอยู่สี่ตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนะครับเมื่อวานนี้ได้พูดถึงสองคนครับ ก็คือโนอาหนะครับโนอาห์ได้รับคํำสั่งจากพระเจ้านะครับให้ต่อเรือโนอาห์ก็ได้ต่อเรือในที่สุดแล้วผลลัพธ์ก็คือครอบครัวของเขาทั้งหมดนะครับรวมทั้งโนอาห์ด้วยแปดชีวิตปลอดภัยไม่ได้ตายไปเพราะน้ำท่วมในสมัยนั้นนะครับใครจะเชื่อครับว่าจะมีน้ำท่วมโลกนะครับนอกจากโนอาห์จะมีใครที่สามารถต่อเรือกว้างใหญ่ขนาดนั้นและมีความเชื่อที่จะทํานะครับโดยใช้ เวลาและครอบครัวของเขานะครับในเมื่อไม่มีน้ำเยอะขนาดที่จะลอยเหลือลานั้นได้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความเชื่อของหนูอ่ะเพราะเขาจีเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็เลยนับว่าดเขาเป็นคนชอบธรรมตัวอย่างที่สองก็คืออับราฮัมใช่ไหมครับอับราฮัมนั้นได้ <c oughs> รับพระสัญญาจากพระเจ้าว่าพระเจ้าจะประากาศดินแดนใหม่และพระเจ้าได้สัญญาว่าเขาจะมีลูกหลานมากมายนะครับเหลือขนาน ถ้าเราไปที่เมโซโปเตเมียนะครับก็คือเมืองเออซึ่งอยู่ที่ปากอ่าวเปอร์เซียนะครับเดินทางจากตรงนั้นนะครับขึ้นมาโค้งตามดินแดนแห่งพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์ก็คือเมโซโปเตเมียนั่นเองเดินทางสู่ขอานเราเห็นว่าอับราฮัมต้องใช้ความเชื่อสูงมากครับอับราฮัมปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้าในขณะที่เดินทางเขาไม่ได้ครอบครองแผ่นดินใดๆเลยนะครับเว้นแต่ ดินผืนหนึ่งสําหรับฝังผู้ตายของเขาในพระคำพีรูนะครับได้กล่าวว่าคนเหล่านั้นตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่และไม่ได้รับสิ่งที่ส่งสัญญาไว้แต่เขาก็ได้เห็นและได้เตรียมรับไว้สั้นแต่ไกลพี่น้องครับขณะที่กับปตามตายนะครับเขายังไม่ได้รับแผ่นดินครับแต่เขารับด้วยความเชื่อและเขาตายไปขณะที่ตายไปแผ่นดินก็ยังไม่ได้ตกเป็นของเขาแต่เขารู้ว่าในด้วยความเชื่อนั้น แผนดินของพระเจ้าที่ตามพันธุ์ยาที่พระเจ้าได้ให้กับเขานั้นเขาจะได้รับในวงวานของเขาครับซีดของเขาก็คือเมล็ดพันธุ์ของเขาที่อยู่ในตัวเขานั่นเองอับราฮัมเชื่อว่าวันหนึ่งคํามั่นสัญญาของพระเจ้าก็จะเป็นจริงในวันนี้นะครับเราจะมาดูตัวอย่างที่สามและทสี่นะครับตัวอย่างที่สามและที่สี่นะครับก็คือโมเสสนะครับโมเสส ในพระธรรมปีฮีบรูบทที่สิบอ็ดบทเดียวกันนี้ก็ได้บันทึกถึงความเชื่อของโมเสสครับโมเสสนั้นพระเจ้าได้ทรงมีพระประสงค์ของพระองค์ได้ทรงเลือกเขาตั้งแต่เขาอยู่ในคันมารดาก่อนวางรากสร้างโลกเสียด้วยซ้ำโมเสสในที่สุดนั่นก็ออกจากประเทศอียิปต์ครับในขณะที่เขาเป็นปรินซอบอียิปโดยไม่ได้หวาดวันความเสืวของกษัตริย์ฟาโรเลย เพราะว่าโมเสสนั้นมั่นใจว่า <c oughs> พระเจ้าของเขาซึ่งเป็นพระเจ้าของอับรามอิสอัคและยาโคบก็เป็นพระเจ้าของคุณแม่ของเขาด้วยและเป็นพระเจ้าของตัวเขาเองโมเสสในที่สุดนั้นนาคนยิวหรือคนฮีบรูนั้นนับแสนคนนะครับออกจากอียิปต์เข้าสู่ถิ่นทุรกันดาร น, นะครับจริงๆแล้วนี่จํานวนคนที่อยู่ในถิ่นทรกันดาร น, นะครับทั้งหมดนะครับ ผู้ชาย6แสนคนไม่รวมผู้หญิงและเด็กรวมกันเข้ามานะครับนักวิชาการประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ2ล้านคนนะครับพี่น้องลองคิดดูสะครับ2ล้านคนเนี่ยจะมีปัญหาเยอะไหมครับปัญหาเยอะปัญหาการกินการอยู่เยอะไหมครับปัญหาเยอะครับปัญหาการบ่นต่อว่าต่างๆเยอะไหมครับเยอะครับปัญหาเรื่องการเมืองเยอะไหมครับเยอะครับการขีดํานาจกันปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายครับ โมเสสนั้นต้องใช้ความอดทนอย่างสูงและ <c oughs> โมเสสนั้นก็ต้องใช้ความเชื่อด้วยกันครับคนฮีบรูนะครับสองล้านคนอยู่ในถิน่นเพลกรนดานไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับพระเจ้าตัดเรียกให้ท่านทำเช่นนั้นท่านก็ตอบสนองด้วยความเชื่อครับโมเสสนั้นรู้ถึงขีความสามารถของตัวเองแล้วก็กราบทูลพระเจ้าด้วยอย่างจริงจังจริงใจนะครับ แต่พระเจ้าก็สัญญาที่จะไปกับโมเสสและเดินไปกับโมเสสและช่วยโมเสสและประทานคนอื่นๆมาช่วยโมเสสอีกครับหลายๆครั้งในชีวิตของเรานะครับจําเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติภารกิจและพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เกินกําลังของเราพี่น้องทำให้เรามีความเชื่อมีความศรัทธาไว้วางใจพระเจ้ารู้ขีดความสามารถของตัวเองว่ามีจํากัดพึ่งพาพระเจ้าและวางใจพระเจ้าตลอดและพระเจ้า จะทำตามพระสัญญาของพระองค์พระองค์จะส่งคนมาช่วยในเวลาที่เหมาะสมพระองค์จะส่งการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์อย่างไม่คาดวันในที่สุดแล้วงานของพระเจ้าจะสาเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์โดยที่เรานั้นเป็นเครื่องมือของพระองค์ที่พระเจ้าจะใช้ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเปโตครับพี่นันครับเราจะเห็นนะครับว่าเปโตนั้นเขาก็จะต้องใช้ความเชื่อเหมือนกันครับ ในการที่เขาติดตามพระเยซูและเขานั้นก็เป็นตัวแทนของสาวกทั้งหลายนะครับที่ติดตามพระเยซูพระเยซูสอนเปโตรชนิดที่ว่าพิเศษสุดพระเยซูตําหนิเปโตรตรงๆหลายๆครั้งที่เปโตรนั้นก็ได้ใช้ความจริงใจกับพระเยซูแต่เป็นความจริงใจที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเป็นความจริงใจโดยที่เขานั้นไม่ได้รู้ถึงนามนะว่าไถ่และว่าประสงค์ของพระเจ้า ความจริงใจเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ไม่ถูกนะครับแปลกไหมครับพี่น้องครับความจริงใจเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ถูกเพราะอะไรครับเพราะว่ามีครั้งหนึ่งพระเยซูได้บอกกับความหวังดีของเปโตรนะครับเมื่อพระเยซูพูดถึงการสิ้นพระชนการที่พระองค์จะต้องถูกจับนะครับเปโตรก็บอกไปขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นพี่น้องครับเราคงจําได้ว่า ปเปเยซูได้ทรงตำหนิเปโตบอกว่าไอซาการจงไปให้คนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเปโตแต่เปโตก็ยังรักษาความเชื่อความศรัทธาของเขาอยู่ในขณะเดียวกันชีวิตของเปโตนั้นเมื่อเกิดการข่มเหงนะครับเราเขียนว่าเขานั้นปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งด้วยกันแต่ในที่สุดนะครับเขาก็ด้วยการเป็นกิเลสความตายด้วยประสบการณ์ด้วยจิงสางที่เขามองกลับไปย้อนกลับไปดูชีวิตของเขา เขาต้องยอมรับว่าเขามีความเชื่อน้อยและเขาต้องใช้ความเชื่อที่มากขึ้นในที่สุดการเป็นเส้นเลืความตายของพระเยซูทําให้เปรตตนั้นกลับกลายเป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่และเขาได้ถวายชีวิตของเขานับแต่นั้นมาเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าเป็นแครรสาวกและเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งให้ไปทํางานของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับในลูกาบทที่22ข้อ31ได้กล่าวว่า เป็นคำตัดของพระเยซูที่กัดกับปเปโตรพิเศษเลยนะครับบอกว่าซีโมนซีโมนเอ๋อดูเถิดซาตานได้ขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลีแต่เราได้ฐานเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้คาพี่น้องครับพระเจ้าพระเยซูนั้นทรงมีพระประสงค์เทีท่องการให้ปเปโตรเชื่อและไว้วางใจพระองค์เช่นเดียวกันครับ พระเยซูทรงต้องการให้พวกเราเชื่อวางใจในพระองค์อย่างปราศจากความสงสัยทีน้นะครับชีวิตของเราหลายหลายคนอาจจะถูกฝัดร่อนเหมือนกับฝัดข้าวสารีฝัดร่อนนี้หมายถึงอะไรครับฝัดร่อนนี้หมายถึงว่าความพยายามหรือความตั้งใจหรือความปผสงค์ที่เจ้าของเจ้าของข้าวสารีนะครับจะฝัดร่อนนะครับฝัดร่อนอะไรฝัดร่อนเปลือกข้าวสารีออกจาก ข้าสาลีหรือฝัดร่อนสิ่งที่เป็นบนถิ่นออกจากสิ่งที่ดีสิ่งที่บริสุทธิ์พี่น้องครับหลายๆครั้งการฝัดร่อนเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเรานั่นคือความทุกข์ยากลาบากครับการสูญเสียวิกฤตาการต่างๆของชีวิตที่เข้ามาถึงพวกเราเดี๋ยจะให้ข้อความนี้บทความนี้เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านหากว่าท่านใดอยู่ในปัญหาอยู่ในอุปสรรค อยู่ในความทุกข์ยากลาบากอยู่ในการทดลองนะครับอยู่ในวิกฤตการของชีวิตมีความถามมากมายเกิดขึ้นครับพี่น้องครับเราจะต้องเดินไปด้วยความเชื่อเราต้องยึดพระองค์เราจะต้องรู้ว่าเรานั้นมีความจํากัดครับเราต้องพาพระองค์และวางใจในพระองค์เสมอความเชื่อของคริสเตียนนะครับหลายๆครั้งทําให้เราจะต้องกลับมาคิดว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นใครยิ่งใหญ่ขนาดไหนคําตอบก็คือว่าพระเจ้าของเราเป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ เป็นคุณพ่อบนสวรรค์ของเราผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ทรงเนินมิตรสร้างโลกและสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นพระองค์ผู้เดียวที่ทรงควบคุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จักรวาลนี้ดวงดาวต่างๆโปรงทรงดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลให้ลมพัดตามคิดทางของมันและโปรงทรงดูแลรักษาเมนเทนเน้นสิ่งสารพัดที่พระเจ้าทรงสร้างรวมทั้งชีวิตของพวกเราด้วย เกียวกับพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ขณะ น, นี้ในขณะเดียวกันพระองค์ทรงเป็นบิดาคุณพ่อของเราบนสวรรค์คุณพ่อของเร า, รรออเราปรารถนาดีกับเราครับแม้ว่าหลายๆครั้งทีเดียวมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องครับพระเจ้าทําอะไรในชีวิตของคุณและเราทั้งหลายจะต้องตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไรแต่เมื่อเราตอบสนองด้วยความเชื่อแล้วพระเจ้าจะตอบสนองโดยการรักษาพระสัญญาของพระองค์ Amen. I